เมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อเคยมาพูดที่แบงชาติบอกพูดเรื่องสินคือสินเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างมากที่พวกเราอยู่ด้วยกันจะได้รับความสงบพร่มเย็นผาสุขได้ต้องเป็นผู้มีกฎระเบียบต้องเป็นผู้มีสิน ถ้าบ้านเมืองหรือโลกเขาก็เรียกว่ากฎหมายบ้านเมืองแต่พระสงฆ์หรือพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศีลแต่ความหมายก็คืออันเดียวกันคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างอยู่ในกฎอยู่ในกรอบของกฎหมาย อยู่ในกฎในกรอบของศินวันสินเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านจะต้องมีและจะต้องรักษาถ้าคนไม่มีศินต่างคนก็ต่างใช้ความต้องการของตนเองเป็นหลักความต้องการของตนเองนั้นโดยมากจะเป็นกิเลสกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง ราคะโสดโมหะอันนี้คือความต้องการของมนุษย์โดยมากมันจะไม่ไปทางสูงกิเลสเหล่านั้นมันจะไปทางต่ําเนี่ยสิ่งไหนสิ่งเป็นทางต่ําเป็นที่เบียดเบียนเป็นเรื่องที่จะเบียดเบียนซึ่งการละกันนั้นโดยมากจะเป็นลักษณะอย่า ง, งานั้นเพราะฉะนั้นสินของพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติไว้ เมื่อสองพันกว่าปีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ธรรมท่านกอบัญญัติศินห้าให้แก่กุบาสกกุบาสิกาผู้ที่อยู่ภายนอกการอยู่ร่วมกันที่จะให้ความร่มเย็นพาสุขต้องมีสินแต่ตามไม่จริงสินห้าของพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาใน ชาดกหรือว่าในพุทธประวัติแล้วศีลหา้ามีมาเป็นศีลประจำโลกมาตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรูธรรมศีล น, นี้ก็คือเป็นศีลของพวกฤาษีชีพายพวกสินพวกพราหมณ์พวกเจ้าลทัทธิต่างๆโดยมากจะเน้นเรื่องศีลหา้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นท่าจะว่าไปแล้วศีลหา้าคือศีลประจาโลก ตั้งแต่ดึกดำบรรพมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปถือว่าศสินห้าเป็นสินที่ไม่มีคุณค่ามันทันยุคทันสมัยทันกับเหตุการณ์ถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบรลมเย็นเป็นจุกคนทุกยุกทุกสมัยต้องมีกฎต้องมีเกณฑ์ต้องมีศีลห้าถ้าจะว่าไปแล้วสินห้าหนึ่ง หลงข้อจะอธิบายให้ฟังย่อยๆให้เข้าใจอได้ง่ายก็คือสินห้าเนี่คือสินข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันเราอย่าคิดฆ่าเขาอทุกคนอย่าไปคิดฆ่ากันถ้าว่าต่างคนต่างคิดอยากจะฆ่ากันอืเราคิดฆ่าเขาเขาคิดฆ่าเราเราไปฆ่าเขาเขาฆ่าเราถ้าเราไปฆ่าเขา ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าเมียของเขาฆ่าวงศาคนาญาของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาฆ่าเราล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรอาทินนาทานก็เหมือนกันถ้าเราไปขโมยของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาขโมยของเราคำว่าขโมยนี้มีหลายระดับขโมยพ่อขโมยแม่ ขโมยสามีภรรยาลูกหลานของเราไปเรียกค่าถ่ายอย่างนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปขโมยของเขาก็เช่นเดียวกันกาเมสุนิชัดจาราเวรเมย์สามีภรรยาลูกของใครของเรา <c oughs> เขาก็รับสว น, น์นห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราก็เช่นเดียวกันอมูสาวาทาเว ร, รมณีการโกหก หลอก ล, ลวงต้มตุนเขาเขาก็เสียความรู้สึกถ้าเขามาหลอกลวงต้มตุนเราเป็นยังไงโกหกเราเราไปเสียอกเสียใจเสียความรู้สึกบางครั้งก็เสียทรัพย์สมบัติเพราะต้มตุนหลอกลวงข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชชับประมา ก, การดื่มสุราและเมลายเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าว่าพวกเราไปดื่มสุราขาชดสติแล้ว ทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉนั้นถ้าเราพิจารณาดูแล้วว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นศีลคุ้มครองโลกจริงๆไม่ใช่ศีลอย่างอื่นถ้าหากมนุษย์ขาดศีลธรรมในยุคใดสมัยใดยุคนั้นสมัยนั้นมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉนั้นศีลของพระพุทธเจ้าเป็นศีลประจําโลกศีคลคุ้มครองโลกเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องการความสงบร่มเย็น พาสุขในชุมชนและสังคมของพวกเราให้เป็นผู้มีสิ น, นการมีสินเราก็คิดแบบง่ายๆว่าคนนั้นน่าจะมีสินคนนี้น่าจะมีสินใช่ลวงพ่อจะให้คนมีสินได้ยังไงเพราะคนมีตันวมากมายอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็รู้รู้ว่าคนถึงจะไม่มีสินทุกคนแต่ข้าพเจ้ารู้แล้วว่า สินห้านี่มีคุณค่ามีประโยชน์ข้าพเจ้าจะรักษาสินห้านับหนึ่งจากข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีสินจะไม่คิดฆ่าคนอื่นจะไม่คิดขโมยคนอื่นจะไม่ เ, เพิผิดในกรรมเคารพสิทธิของคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่โกหกหลอกลวงคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราจะไม่ให้ขาดสตินับหนึ่งจากข้าพเจ้าไป doing. ไม่ต้องให้คนอื่น เป็นผู้มีสิให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นทุกท่านเมื่อได้ยินทำคําสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วให้นับหนึ่งจากเราะถ้านับหนึ่งจากเราข้าพเจ้าเป็นคนดีคนหนึ่งต่อ น, นั้นก็ต่างคนต่างนับนับหนึ่งจากข้าพเจ้าหนึ่งบวกหนึ่งเป็สองสองบวกสองเป็นสี่ก็ไล่ไปเรื่อยเพราะต้องการเราเห็นโทษ่าการเบียดเวียนซึ่งกันละกันหาความสงบร่มเย็น เป็นสุขไม่ได้ใจเผาใจเราถ้าเราไปทำให้แกเขาเขาก็เดือด้อนเขามาทำให้แกเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานั่นแหละคือศีลของพระพุทธศาสนาพระทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเรารู้ว่าศีลธรรมศีลห้าของพระพุทธศาสนามีคุณค่ามีประโยชน์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 ปฏิฐาหนติปานินัน ต, ติวันนี้หลวงพ่อเองได้มาพบกับคณะสัทายาติโยมลูกหลานถึงจะไม่มากก็เป็นกลุ่มที่เป็นชมลมหรือเป็นแนวคิดความคิดร่วมกันเพื่อจะ จันรงพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาเป็นอยู่คู่กับจิตใจของพวกเราไม่ต้องพูดถึงว่าคู่กับเมืองไทยถ้าว่าพวกเรามีศาสนาคือศีลธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วใจของเราก็จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเราท่านทั้งหลายทํางานอยู่ในแบงค์ชาติก็รู้ใช่ว่าแบงค์ชาติ ก็คือหัวใจของชาติก็คือเงินแต่ชาพวกเราท่านทั้งหลายคนทั้งโลกทั้งประเทศชาติมีแต่การสสแว ง, วงหาเงิน เ, เงินเงิ น, งนอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คิดไปอย่างอื่นในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกเงินก็จำเป็นเพราะเหตุใดเพราะจะต้องได้อาศัยปัจจัยสี่ อาหารก็อาศัยเงินที่อยู่อาศัยก็อาศัยเงินผ้านุ่งห่มก็อาศัยเงินยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็อาศัยเงินถ้าหากว่าไม่มีเงินการเป็นอยู่ของพวกเราก็จะละําบากแต่เราจะอาศัยแต่เงินอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอการดูแลสุขภาพกายอีกส่วนหนึ่งเราจะใช้ อาหารการบริโภคผ่านนุ่งห่มยากแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยสมบูรณ์บริบูรณ์แต่เราไม่ออกกำลังกายเราไม่ได้กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินบารุงบําเลอตนอย่างเดียวไม่ดูแลสุขภาพกายกายนั้นก็อาศัยอยู่ไม่ได้เพราะว่าขาดการดูแลมีแต่การสอแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวขาดการดูแลสุขภาพกาย ถ้าความพวกเราไม่ดูแลสุขภาพกายเป็นยังไงมีเงินคําทรัพย์สมบัติมากมายแต่ร่างกายของเราเป็นอมพภพอมภาสซะเพราะเหตุไรเพราะเราขาดการดูแลสุขภาพกายไม่ได้สนใจเรื่องของร่างกายการพักการผ่อนการนอนการเปลี่ยนอริยาบทการออกกําลังกายของเราไม่มีกายของเราก็คงจะไม่สมบูรณ์พูดอย่างนั้นได้ จะต้องเป็นอมภพกอะมาพาดไปได้ง่ายเพราะเหตุใดพวกขาดการดูแลรักษาแต่โดยมากโรคของพวกเราท่านทั้งหลายผู้ได้รับการศึกษาผู้ได้รับการเรียนรู้พวกเรากระแสวงหาทรัพย์แล้วก็พร้อมกันก็ออกกำลังกายก็เห็นดาดเดินตอนเช้าพวกเราจะเห็นการเดินบัางการวิ่งบงั่งในสถานที่ต่างๆอันนั้นคือการดูแลสุขภาพกายก็มี แต่บางท่านบางคนก็ขาดไปบ้างแต่ว่าการดูแลสุขภาพจิตการดูแลสุขภาพใจอันนี้รู้สึกพวกเราจะห่างเหินที่ได้ฟังได้ศึกษามาเป็นส่วนมากมีแต่การสอดสวงหาทรัพย์แล้วกัการดูแลสุขภาพกายแต่การดูแลสุขภาพจิตนั้นพวกเรารู้สึกว่าจะห่างเหินมากๆ ก, การดูแลสุขภาพจิตนั้น ต้องศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาภิกสุสัมมเนนเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละอันนี้คือการรักษาสุขภาพจิตรักษาสุขภาพจิตก็คือทำสมาธิคนเราถ้าหวัวปล่อยจิตใจให้ปุงฟุ้งสัน้นคิดปุงฟุ้งอยู่ตลอดเวล่เวลา จิตไม่ได้พักผ่อนจิตไม่ได้รับความสงบจิตไม่เป็นสมาธิถ้าว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจอย่างนั้นคนคนนั้นสุขภาพจิตย่ำแย่เมื่อสุขภาพจิตย่ำแย่แล้วใจคิดออกนอกลูกนอกทางปล่อยจิตปล่อยใจใจของเราไม่มีเปรดใจของเราไม่มีที่ยับยัง้งคิดปุ่งฟุ้งไปตลอดผลที่สุดก็ ได้เข้าโรงพยาบาลศรีทัญญาได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะเหตุไรพราพขาดการดูแลสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างการเะแสวงหาทรัพย์ก็จําเป็นการดูแลสุขภาพกายก็จําเป็นการดูแลสุขภาพจิตก็จําเป็นถ้าพวกเราทําให้สม่ําเสมอทั้งสามอย่างการเป็นอยู่ของพวกเราก็จะได้รับความสงบ ได้รับความผาสุกในการปฏิบัติตนแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่เน้นเรื่องการสแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวแล้วก็การดูแลสุขภาพกายบ้างแต่ปล่อยปะละเลยในการดูแลสุขภาพจิตหลวงพ่อว่าจะไม่ถูกต้องเพราะเหตุใดเพราะการดูแลสุขภาพจิตนั้นมันสืบเนื่องไปยาวนานถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆเมื่อเท่าแก่ชรา เมื่อเท่าแก่ชราเมื่อสูงอายุขึ้นมาเราจะไม่มีที่เกาะที่ยึดเราจะคึดยึดทรัพสมบัติยึดลูกยึดหลานยึดปวงสาคณาญาติมันยึดไม่ได้จิตใจของเราจะว้าเวอ้างวังเงียบเหงาเศร้าซึมไม่อะไรเพราะจิตใจขาดธรรมะเพราะนั้นธรรมะทำคาสั่งสอนขอ ง, ของพระพุทธเจ้า เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องฟังจะต้องศึกษาจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัตใิใจให้มีหลักยึดหลักยึดทางจิตใจก็คือนี่แหละสมาธิสรุปล่ะก็คือคุณงามความดีอย่างเบื้องต้นนะว่าทานศีลภาวนาสำหรับฆรวาสญาติโยมทานศีลภาวนานี่แหละเป็นหลักยึดถ้าคนมีทานเป็นผู้มี น้ำใจเสียสละออบุกทานให้แกบุคคลที่ควรให้ทานคนนั้นใจเขาจะได้รับความสงบพ้าสุขเย็นใจในระดับหนึ่งจากทั้นก็รักษาศีลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวคือศีลท่าเราก็มองดูที่ผ่านๆมาเราก็ไม่ได้ทำความชั่วเสียหายเพราะศีลของเราก็ได้ทาประพฤติปฏิบัติมาโดยสม่าเสมอ จากนั้นกับมาเรื่องภาวนาภาวนาก็คือพยายามทำใจให้สงบการภาวนานี้มีมากหลากหลายในยุคสมัยนี้มีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนมากมาย <Okay. S 1> แต่ละสำนักแต่หลวงพ่อเองก็ได้ศึกษามาแนวแถวสายองหลวงปู่มั่นองหลวงปู่มั่นท่าน สำหรับสัทยาญาณโยมเข้าไปศึกษาใหม่เรื่องอบรมทางจิตใจหรือว่ารักษาสุขภาพจิตเนี่ยท่านให้ภาวนากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติท่านยึดสติเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างมากในหลักของพระพุทธศาสนาท่านหมวดธรรมนะในพวกเราดูเนี่ยศึกษาในธรร ม, มวิภาคหมวดธรรมท่านจะยึดสติเป็นเบื้องต้นเลย ธรรมที่มีอุ ป, ปการะมากสองอย่างสติคือความระลึกได้สมปะชัญญะคือความรู้ตัวนี่แหละท่านยกประเด็นนี้ขึ้นมาเลยถ้าคนขาดสติแล้วจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันจะทําหน้าที่การงานอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเราคิดดูสิถ้าคนเอาคนบ้าคนบอคนเดินโต๊ๆเตะในถนน จะมาทําหน้าที่การงานจะทําได้ไหมทําไม่ได้เพราะอะไรเพกขาดสติเพราะนราคนไม่มีสติคนที่มีสติเท่านั้นคนมีสติดียิ่งดีเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคุณค่าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงยกประเด็นขึ้นว่าธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเพราะนั้นสติสัมปชัญญะให้มีอยู่ในตัวของเรา ถ้าจะภาวนาแล้ะยิ่งจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นการรักษาสุขภาพจิตเป็นเบื้องตน้นให้พวกเราเมื่อว่างจากหน้าที่การงานก่อนหลับก่อนนอนหรือตื่นนอนแต่เช้า <Yeah. S 1> เวลาเราว่างการหรือเวลาว่างงานตอนพักเที่ยงอย่างนี้เป็นตน้นเราไปนั่งอยู่ตามลําพังเราก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก เราจะนั่งเก้าอีก้ก็ได้เราจะนั่งอยอนขาตามปกติคือพยายามให้มีสติในการเป็นอยู่ของตนเองขณะนี้เรานั่งอยู่ในขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรใจของเราอยู่ที่ไหนใจของเราอยู่ในร่างกายใช่ไหมกำหนดลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติในลมหายใจเข้าออกนั้น อันนี้แล้วธรทมที่มีอุปการะมากในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราทรรมตัวนี้มีสติตัวนี้จะใช้ได้ในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อจนเท่าแก่ชลาาว่าจิตใจของเรามีสติคนที่มีสติสมบูรณ์คนนั้นจะไม่เป็นบ้าพูดได้ไง่ายๆอย่างนั้นเลยเพราะสติอยู่กับตัวเองถ้าคนใดก็ตามปล่อยปะละเลยไม่สนใจในสติ คนนั้นจะขาดสติพราขาดมากๆเข้าไปแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวลืมหลงลืมไปทั้งหมดพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะนั้นเรื่องสติเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างมากสําหรับศีลเรื่องธรรมธรรมเนี่คือสติสัมปชัญญะถ้าศีลแล้วก็สําหรับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านขึ้นต้นเลยสําหรับข้อปฏิบัติ สำหรับคารวาทท่านก็ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคารวาทกิจที่ควรทำกิจที่ควรประพฤติปฏิบัติก็คือสินสินห้าปาณาอาธินากาเมมุสาสุราอันนี้แหละสำหรับคารวาทสำหรับพระที่บวชในกฎเกณฑ์อีกเรื่องกฎเทวา น, นิสัยสี่กิจที่ควรทา อคระในกิจคือกิจที่ไม่ควรทำํำอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านท่านสอนเป็นข้อๆให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะกิจที่ควรทําของพระสงฆ์นั่นคืออะไรกิจที่ไม่ควรทําของพระสงฆ์คืออะไรอันนี้สรุปแล้วก็คือการอยู่ด้วยกันของพระนะเพราะฉะนั้นอันนี้จัดเป็นหมวดศีลเอ่อหมวดศีลหมวดธรรมหมวดความประพฤตนะิเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากที่ได้พบพระพุทธศาสนาเพราะนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้มาทำงานในแบงคชาติแห่งนี้หลวงพ่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยาจะฝากให้พวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มุ่งมั่นให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจในการทำหน้าที่นี้นะคล้ายๆว่าเป็นหัวใจของชาติ อย่างองค์หลวงตามหาบัวที่ท่านมาเคยมาเยี่ยมชมแบงค์ชาติแห่งนี้ตั้งแต่ริเริ่มท่านก็ได้มาเห็นว่าเงินทองของแบงประเทศชาติของเราเนี่ยยังร่อยหลอ่อหลวงตาจะได้ออกไประดมทองมาจงเกือบถึงสิบสองตันเดี๋ยวนี้ตันที่สิบสองก็ยังเหลืออีกไม่มาก ถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วหลวงพ่อไปนสถานที่ใดไปพูดนาที่ใดหลวงพ่อกับเคยพูดว่าหลวงตาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วท่านเป็นพระผู้เท่ามองเห็นในสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นสิ่งที่ท่านมองเห็นพวกเรามองไม่เห็นเพราะเหตุไรในยุคสมัยปีสามเก้าสี่ศูนย์พวกเราคิดดูที่นึกย้อนหลังดูว่าสมัยนั้นถ้าว่าเขาเอาเงินดอนลาบมาตีเงินไทย มันชวนเชไปเพราะเงินดอลล่าหลวงตาก็จะต้องบอกว่าเอ้าให้ถ้ดมซื้อดอลล่าเข้าคังหลวง เ, เข้ามาธนาคารแห่งประเทศไทย เ, เข้าคลังหลวงให้มากแต่นี้หลวงตาท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นเมื่องพวกปูกหลานศรัทธาญาติดมคงจะจำได้ท่านให้ซื้อทองคำซื้อทองคำเข้าคังหลวงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงอันนี้แหละที่ว่าหลวงตามองเห็นในสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็น ถ้าว่าพวกเรามองง่ายๆพวกเราก็คงจะระดมดอลล่าแต่นี้หลงตาระดมให้ระดมทองเอมันตรงกันข้ามแต่บางคนก็บอกทําไมระดมทองเอระดมทองมันมาทิ้งไว้ในในคลังเหมือนกับท่อนเหล็กเอทิ้งไว้เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ทำไมไม่ระดมเงินนแต่ถ้าว่าระดมเงินดอลล่าเข้ามาในคลังหลวงคุณค่าของเงินนั้นเป็นยังไงเมื่อปีที่แล้วมาถึงปีนี้ พวกเราก็คงจะรู้ได้เพราะทางานในการเงินอันนี้หลวงพ่อพูดในฐานะพระป่าอยู่ในป่าดงหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าหากว่าเราระดมดอลล่าเข้ามาอีกเราก็คงจะเสียศูนย์ไปพอสมควรแต่นี่เราระดมทองเข้ามาเนี่ยทองของเราขึ้นขนาดไหนสมัยนั้นซื้อเพียงบาทหนึ่งต่อสี่พันกว่าบาทเองพอมาปีที่แล้วบาทนึงมันขึ้นไปเท่าไหร่เอตั้งหมื่นกว่าบาท เกือบหมื0นสีหมืนห้าที่ตรงพ้อในอยู่ในชนนบทนี่แหละอันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือลวงตาท่านมองไกลทีเดียวแต่ท่านพูดไปแล้วท่านก็ไม่ได้ซ้ำเติมแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างที่เงินทุนในแบงค์ชาติก็ดีในทางรัฐบาลก็ดี ท่านอยากจะให้ไม่อยากจะให้รวมบัญชีอย่างเนี้ยแต่ตามไม่จริงท่านก็ไม่ได้คิดอะไรมากอายุของท่านมากถึงขนาดนั้นแล้วท่านว่าเอออย่ารวมบัญชีเนอะเงินก้อนนั้นเป็นเงินของถุงแดงเป็นเงินของรัศการที่ห้าท่านสะสมมาคนควรจะเอาเก็บไว้เพื่อค้ำประกันประเทศชาติในยามฉุกเฉินยามฉุกเฉินก็คืออะไรอย่างประเทศพม่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยพวกน้ําท่วม เรือว่าอย่างประเทศจีนเสือสวนอย่างเนี้ยหรืออย่างสีนามิอย่างนี้ถ้าว่าไม่มีเงินคงค้างไม่มีเงินก้อนนี้ค้ำประเทศประเทศของเราก็วันไหวเหมือนกันถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเงินก้อนนี้เป็นเงินที่ค้ำประเทศชาติอถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดชัดอย่างประเทศไทยของเราเป็นครอบเปรียบเทียบกับครอบครัวใหญ่อถ้าว่าเปรียบเทียบกับ ครอบครัวเล็กพ่อแม่มีลูกสองสามสี่คนอย่างเนี้ยพ่อแม่นั้นตระกูลนั้นคนครอบครัวนั้นพ่อกับแม่ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องเตรียมเงินไว้ก้อนหนึ่งเตรียมไว้เพื่ออะไรเตรียมไว้เพื่อยามฉกเฉินนะยามฉกเฉินคืออะไรคือพ่อแม่ลูกทั้งหลายไม่รู้ใครสี่ห้าหกคนในครอบครัวนั้น่ะจะประสบอุบัติเหตุ บางทีรถเฉียวรถชนนานับประการบางทีเส้นเลือดแตกในสมองอย่างนี้เป็นตน้นไม่มีใครจะรับประกันได้ว่าลูกหลานจะไม่เจ็บไม่ป่วยพ่อแม่นั้นต้องคิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเงินก้อนนี้เอาไว้ในตู้นั้นนะนะหีบนะนะั้นะนะตู้นั้นนะไม่ควรจะเก็บไว้ในตู้เซฟอีกต่างหากเพราะตู้เซฟมันจะเปิดลำบากเวลาจะเปิดขึ้นมาก่อ เสียสมาธิไม่รู้หมุนเลขไหนตัวเลขไหนเนี่ยพอนจะขูกขักไปหมดเนียเพราะเหตุไรเพราะว่ายามฉุกเฉินล้วก็ไม่ควรจะฝากธนาคารด้วยเอีควรจะไว้ในตู้ในบ้านแล้วก็ควรจะแบ่งไว้แต่ละตู้อีกต่างหากเอถ้าเผื่อโจนผู้ร้ายเข้ามาก็จะให้มันเอาไปหมดทีเดียวอตู้นั้นเอาไว้เท่านั้นตู้นี้เอาไว้ที่อย่างน้อยก็ไปห้าหกเจ็ดคนถ้ามีคน มีตระกูลแล้วมีคนมีทรัพย์สมบัติก่าควรเอาไว้จักล้านหนึ่งอย่างนี้เป็นต้อนอันนี้คือเงินประกันครอบครัวจากนั้นลูกหลานคนใดประสอบอุบัติเหตุก็เอาใส่รถเข้าไปเอาเงินเข้าไปเลยห้าหกเจ็ดแปดแสนบาทมอบให้เขาแลยไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเทวดาดีที่สดุดในกรุงเทพมอบให้เขาเลยมอบให้หมอเลยหมอก็ได้เงินจาก พวกเราจากตระกูลนั <açık> use, ้นบอกว่าให้ร hmm, ah ักษาให้หายนะเอาให้อยู่นะเมื่อหมอเ็าได้เงินเขาก็ระดมแพทย์ระดมหมอพนรบมผู้ที่เกี่ยวข้องมาเยียวยารักษาลูกหลานของเราอย่างเต็มที่เพราะเขาได้เงินแล้วเขาก็รักษาได้ลูกหลานของเราก็ถ้าไม่เลือบากกว่าแรงจริงๆเขาก็เอาอยู่แต่ถ้าว่าเลือบากกว่าแรงแล้วก็หมอเขาก็บอกว่าสุดวิสัย อันนี้คือเงินใช้ในยามฉุกเฉินแต่ถ้าว่าสระกูลใดก็ตามไม่ได้คิดเอาเงินมาลงทุนทั้งหมดเห็นว่าเอาเงินเก็บไว้นั้นไม่เกิดประโยชน์ไม่มีดอกไม่มีผลไม่มีประโยชน์แล้วก็เอาเงินมาลงทุนทั้งหมดในเมื่อลูกหลานของเรามีความจำเป็นอย่างนั้นท่านนี้เราเอาลูกหลานไปไปโรงพยาบาล ไม่มีเงินไปบอกแต่บอกว่านี่นะเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้ทีหลังอขอให้รักษาให้ดีที่สุดแล้วหมอและพยาบาลหรือกลุ่มแพทย์นั้นความไว้เนื้อเชื่อใจนั้นเขาจะเชื่อถือขนาดไหนเป็นแต่เพียงลมปะเมื่อรักษาหายแล้วเขา อ, อาจจะไม่ได้เงินก็ได้เขา อ, อาจจะไม่ให้ความสนใจเท่าที่กวดสิ่งเหล่านี้ พวกเราท่านทั้งหลายที่ลงตาท่านเมตตาหรือว่าท่านบอกข้าไว้อย่าเอาเงินมารวมบัญชีเนอะร์ให้เก็บไว้อย่างนั้นแหละเมื่อคราวเมื่อคราวจำเป็นข้าวยากหมากแพงเกิดศึกสงครามภัยวิบัติอาจจะเกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองของเราไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งควรจะเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งอย่างนั้นอ่ะเก็บไว้อย่างนั้นละ เพื่อประกันประเทศชาติเนี่หลวงพ่อว่าถ้าพวกเราคิดดูให้ดีแล้วอันนี้คือเราบริหารแบบธรรมชาติบริหารแบบตามธรรมชาติเอาหลักธรรมชาติมาบริหารไม่บริหารแบบยุคใหม่สมัยใหม่มีกี่เท่าไหร่ทุ่มถลุงลงไปทั้งหมดแต่พอมันหมดมาแล้วต่างคนก็ต่างกระโดดเหมือนกับแพ่แตกอย่างนั้นเราคงจะไม่ ยังไม่ถูกต้องอันนี้คือคือหลวงตาท่านเมตตาแนะนําสั่งสอนแล้วก็ก่อนหน้านี้หลวงพ่อเองก็ได้ทราบข่าวพระท่านก็ได้มายื่นหนังสือถึงแดนชาติด้วยถึงทางรัฐบาลด้วยแต่บางท่านบางคนลูกหลานเอคนในชาติของเราเอก็มุ่งหวังมีแต่ว่าอยากจะเอาเงินออกมาเพื่อซื้อตราสารนี่ฮ เพื่อจะเอาเงินซื้อตราสารนี่เพื่อจะให้เงินหมุนไปแต่ตามไม่จริงลูกสิทธิ์ลูกหาลูกหลานของหลวงตาเนี่ยหลวงตาให้ความคิดเห็นว่าใช่เงินก็ต้องหมุนถ้าไม่หมุนจะใหญ่ได้อย่างไรต้องหมุนแต่ถ้าหังว่าหมุนแล้วคนที่เอาออกมาหมุนนั้นเราจะไว้เนื้อเชื่อใจขนาดไหนถ้าว่าเอาออกมาหมุนแล้วที่เอาเงินออกมาหมุนนั้นเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ ก็ไม่ว่ากันหมุนแล้วมันใหญ่หมุนขึ้นไปแล้วมันใหญ่มันงอกเลยไม่ว่ากันแต่ถ้าว่าหมุนไปแล้วเนี่ยมันล่มจมจิบหายล่ะใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในจุดนั้นถ้าว่ามีผู้รับผิดชอบในจุดนั้นก็ไม่ว่ากันแต่โดยมากพอมันล่มจมจีบหายแล้วต่างคนต่างโยนไปโยนกันมาแล้วผู้ที่ได้รับบาปกล้ามมากที่สุดก็คือคนในชาติหกสิบกว่าล้านคน นี่หละสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านหลวงพ่อเองเป็นพระป่าพระดงแต่ในนามของเป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาพ่อหลวงตานี่ท่านช่วยประเทศชาติท่านช่วยอย่างสุดๆุดจนนาทีสุดท้ายเดี๋ยวนี้ท่านยังเขียนพินัยกรรมไว้อีกว่าเมื่อเราตายไปเมื่อไหร่คนที่มาทำบุญกับงานศพของเรา ถึงจะมากจะน้อยขนาดยังยังยังไงแค่ไหนให้เอาเงินเข้าคลังหลวงทั้งหมดซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดอันนี้กคคือหลวงตามีพินัยกรรมไว้แล้วแล้วลก็อีกเมื่อไม่นานมานี้พวกขตัท่ายญาติโยมลูกหลานก็คงจะได้ยินว่าหลวงตาช่วยจะสร้างโรงพยาบาลนันนี้คือเป็นครั้งยิ่งใหญ่คันถ้าจะว่าไปแล้วก็ หลวงตาเมตาเาเมตาทิ้งทวนเอเมตตาทิ้งทวนให้แก่ลูกกลานอันเนื่องมาจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรโรงพยาบาลศูนย์อุดรเป็นโรงพยาบาลอยู่ในหกจังหวัดในแถบอีสานเหนือมีอุดรห น, นองคายสนนกล น, นกครนครพนมหนองบัวลำพูจังหวัดเลยมีพระสงฆ์ใน หกจังหวัดนี้มากแต่โรงพยาบาลสูรุรรสร้างมาเมื่อสี่สิบกว่าปีเป็นสองชั้นแต่ชั้นบนมีอยู่สี่ห้าห้องพระสงฆ์อยู่แต่โรงพยาบาลหมืนพระสงฆ์ก็ไม่ได้อยู่ประจํแต่นี้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่มีที่อยู่เขาก็เลยมายึดห้องข้างล่างของพระสงฆ์เต็มเป็นห้องพยาบาลเต็มเพืิดไปหมดเลยนี่ยยังเหลืออยู่สี่ห้าห้องข้างบน โรงพยาบาลก็สร้างมาสี่สิบกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นทางผ อ, อทั้งหมอทั้งพยาบาลก็เข้าไปกราบองค์หลวงตาขอความอนุเคราะห์องค์หลวงตาเขาก็มีแปลนไปด้วยแปลนนี่ก็คือแปลนของอำเภอของจังหวัดชุมพรเพิ่งสร้างเสร็จใหม่เขาถือแปลนไปด้วยเ ข, ขาไปกรบกราบหลวงตามีหนังสือไปด้วยบอกว่าหลวงตาโรงพยาบาล ศูนย์อุดอรเนี่ยตึกสง่าพาดสร้างมาสี่สิบกว่าปีและก็พร้อมกันตึกในโรงพยาบาลศูนย์อุดอรเนี่ยไม่เพียงพอบริหารพี่น้องประชาชนหกจังหวัดเนี่ยล้อนโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลแต่ละวันเข้ามาใช้บริการสองพันเจ็ดร้อยกว่าคนต่อวันมาใช้บริการในโรงพยาบาลศูนย์แห่งนี้เพราะฉะนั้น เวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลก็จังเจ็ดหกเจ็ดร้อยคนที่ประจําอยู่ไม่ได้ขาดพอคนออกกับคนเข้าคนออกก็คนเข้ า, ค, ออกก ค, ขาคือนอนอยู่เป็นประจําอันนี้ก็คือคนไขใน้ในในช็อคคนไข้นอกนั่นคือสองพันเจ็ดร้อยคนที่เข้ามารับยาแล้วก็มาตรวจโรคแล้วก็ออกไปอันนี้ก็คือเป็นโรงพยาบาลใหญ่แต่นี้ตึกยังไม่เพียงพอ ทางลูกหลานอยากจะสร้างตึกหลังนี้ขึ้นมาตึกนี้มีแปลนแล้วมาจากจังหวัดชุมพรตึกหลังนี้สูง8ชั้นใช้เงิน115ล้านเฉพาะโครงสร้างแล้วขอให้ลงตาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้ไหมแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ไม่ได้ขอลงตาทั้งหมดขอเป็นงบผูกพันปีละ40ล้าน หลวงตาจะอนุเคราะห์เมตตาได้ไหมอันนี่คือพวกหมอพยาบาลเข้าไปกราบองค์หลวงตาหลวงตาก็เออเราก็คิดมานานเหมือนกันเราก็จะจะช่วยเอา้าเอาเลยเราจะเป็นเจ้าภาพให้ตึกหลังนี้จากนั้นเขาก็ดีอกดีใจออกมาอพอจากนั้นเขามาเขามาประชุมหลวงพ่อในองค์หนึ่งเป็นประชุมครั้งแรกมีผู้ว่าราชการจังหวัด นอนายอํานาจประกาศลัททุกวันนี้ที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าหน่วยราชการอหลายหน่วยงานและก็มีพระสงฆ์เข้าไปหลายวัดที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาก็ไปหาหรือกันไปชี้จุดสถานที่อก็ได้ชี้จุดเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เลยมาวิเคราะห์กันว่าจะเอาขนาดไหนอย่างไรแต่หลั ก, ก็คือตึกหลังนี้ที่จะ ประชุมกันครั้งแรกกว้าง20เมตรยาว30เมตรสูง8ชั้นในวงเงิน115ล้านก็เข้าไปกราบลงตายอีกแต่ว่าอยากจะได้ให้กว้างไปอีกเพราะว่าเนื้อแผ่นดินแผนดินที่จะสร้างตึกนั้นมันยังเศษไปอยู่15เมตรถ้าหาว่าได้อีก400ได้อีก45เมตร ตะกร30เมตรเพิ่มไปอีก15เมตรเป็น3เป็น45เมตรกว้าง40เมตรถ้าได้สักเก้าชั้นก็จะดีมันจะได้สม่วนขข อ, อ, อ, อ, อให้กราบหลวงตาดูสิอตอนนี้นก็เข้าไปกราบก็มีศรัทธาญาติโยมทั้งพระก็ไปกราบพันหลวงตาถึงเออเอ้าให้เอาสิบชั้นไปเลยเพราะว่าพี่น้องประชาชนในแผ่นดินนี้ มันเต็มไปหมดมันแน่นไปหมดแล้วเอา้าเราจะเป็นเจ้าภาพให้นี่แหละอันนี้คื อ, ค, อคือความเป็นมาเดี๋ยวนี้ก็ำลังประชุมหาหลือกันอยู่แต่ทีนี้พอมาพิจารณาดูแล้วทีแรกก็เมื่อประชุมกันครั้งแรกที่ว่าร้อยสิบห้าล้านเหล็กมันราคามันลดลงก็เพียงเพียงเก้าสิบสามล้านเนี่ยแต่ทีนี้แต่พอขยายไปอีกสี่สิบห้าเมตร อมันก็เลยเพิ่มขึ้นอีกเป็นสามร้อยสามสิบสามล้านแต่ทีนี้เพิ่มขึ้นอีกสิบชั้นอกับเลยกับประมาณกันว่าประมาณร้อยหกสิบหกล้านแต่ก็สามร้อยกว่าเตียงนะจุได้สามร้อยกว่าเตียงแต่ที่ร้อยสิบเอ็ดล้านนั้นได้สองร้อยสิบเตียง ใ, ในโรงพยาบาลแต่ปัจจุบันนีอที่เพิ่มเติมขึ้นอีกนั้นก็ประมาณสัก 3า0ร้อกว่าเตียงนี่แหละอันนี้แหละกำลังดำเนินการอยู่อันนี้ที่หลวงพ่อมาพูดเลื่อแจ้งข่าวณที่นี่ก็เป็นการบอกประกาศแจ้งข่าวให้ ส, สำหรับศรัทธาญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาองคหลวงตาเพราะองค์หลวงตาได้มาช่วยแบ่งชาติอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นตั้งแต่ปีสามเก้าสีู่นย์มาถึงจุกนี้องค์ท่านก็ยังไม่ลดละ ยังได้ช่วยแบงชาติมาตลอดทองคงอําบังดอลลาร์บังก็มากมายพอสมควรแต่ท่านลุงตาท่านก็ไม่ได้คิดเทวงบุญคุณกับลูกกับหลานหรอกแต่พวกเราในฐานะลูกหลานผู้มีอุปการะคุณพวกเราควรจะสนองคุณเหมือนกับพ่อแม่ของเราอย่างนั้นแหละพ่อแม่คือบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราในฐานะลูกหลานก็กตันอยู่กตะเวทิตาคอยตอบแทนพระคุณของท่าน แต่นี้สำหรับรงเรื่องโรงพยาบาลเราจะหาว่าเราตอบแทนบุญคุณของหลวงตาทีเดียวหลวงพ่อว่าไม่ถูกเพราะไม่ถูกอย่างไรเพราะว่าหลวงตาเมตตาทิ้งทวนอย่างที่ว่านะท่านให้อย่างสุดๆจะตุปัจจัยที่ท่านได้มาศรัทธาญาติโยมผ่านมือท่านท่านให้พวกเราแล้วก็เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วหลวงตาจะอยู่กับพวกเรากี่ปีมีแต่ให้พวกพวกลูกหลาน แต่หลวงพ่อก็ให้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหลวงพ่อว่าหลวงตาแต่ก่อนหน้านี้สร้างตึกมีแต่สามสิบสี่สิบชั้นสี่สิบล้านสร้างให้ลาดยาวบางขวางสร้างในทุกเนแต่สี่สิบกว่าล้านหลังละสองหลังอะไรหลวงพ่อจะไม่ได้แล้วก็ตึกโรงพยาบาลก็หลายแห่งยี่สิบสามสิบล้านแต่คราวนี้หลวงตาท่านให้ร้อยกว่าล้าน อันนี้ยังไม่นับเครื่องมือแพทย์ถ้านับเครื่องมือแพทย์เข้าไปทั้งเตียงทั้งอะไรเข้าไปอุปกรณ์ในโรงพยาบาลแล้วไม่น่าจะต่ากว่าสองร้อยล้านหลวงพ่อว่านนะอันนี้คือดวงตาเมตตาทิงทวนให้แก่ลูกหลานเพราะนั้นพวกลูกพวกหลานทั้งหลายต้งฝ่ายพระสงฆ์ทุกหน่วยทุกเหล่าก็เดี๋ยวนี้ก็กําลังช่วยกันอยู่อว่าจะเอาอย่างไรเรจัดเป็นผ้าป่าขึ้นมา ผ้าป่า 84,000 กองกองละ 2,000 บาทสำหรับพวกสัตวาทายาโยมจะเอาหลายกองก็ได้เอากองเดียวก็ได้หรือหลายคนหลายลายคนเอากองหนึ่งก็ได้แต่หลวงพ่อว่าน่าจะมีส่วนร่วมในการสร้างตึกหลังนี้เพราะเหตุไรถ้าจะว่าไปแล้วเป็นตึกกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะเหตุไรตึกหลังนี้ชั้น10กับชั้น9เป็นศึกสงอาพาศ ให้พระสงฆ์ขึ้นไปอยู่ทั้งสองชั้นชั้นบนชั้นเก้าไปชั้นสิบตัวส่วนชั้นแปดลงมาหาชั้นหนึ่งเป็นของพี่น้องประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นเราสร้างตึกหลังนี้ขึ้นมาเพื่อดูแลพระสงฆ์เป็นกุศลมาหากุศลอันยิ่งใหญ่ถ้าเป็นเนื้อนานะหรือเราเป็นดินเหรือเราจะปลูกหวานพืชประเภทไหนเหมาะที่จะปลูกหวานพืชหรือปลูกพืชลงใน พื้นแผ่นดินนั้นพื้นแผ่นดินนั้นอุสมบูรณ์น้ำก็พอเหมาะดินก็ดีพัชพืชที่ที่เราหว่านลงไปจะเป็นข้าวหรือข้าวโพดผลลมากรากไม้ประเภทไหนก็าตามจะสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะเหตุไรเพราะดินดีอันนี้ก็เหมือนกันการหว่านพืชในโรงพยาบาลอันนี้นะที่หลวงตาเป็นประธานหลวงพ่อว่าเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายไม่ควรจะ พาดโอกาสนี้ เ, เพราะว่าหลวงตาเป็นประธานอีกต่างหากและก็พร้อมกันในหลักของพระพุทธาศาสนาเป็นพุทธภาติดของพระพุทธเจ้าว่ะดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายผู้ใดอยากจะปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุไข่ายผู้ใดอยากจะปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุข่ายไอ้ครับอกถ้านว่าพระสงฆ์ผู้ทรงศีล เข้าไปเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าว่าเราได้สร้างที่พักหรือสร้างโรงพยาบาลให้การรักษาเยียวยาท่านก็เหมือนกับได้ปฏิบัติพระพุทธเจา้าในเมื่อท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วท่านก็จะได้มาประกาศเผยแผ่ศีลธรรมให้แก่ปวงประชาศรัทธาญาติโยมถ้าว่าท่านมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงท่านพยายามบาเพ็ญทางจิตใจของท่าน จนสําเร็จเป็นพระอระหรันต์ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลยิ่งเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะเหตุใจก็เพราะว่าท่านได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วท่านก็จะได้ภาวนาของท่านเพราะนั้นเอถ้าจะว่าไปแล้วอในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าหากว่าผู้ใดยังปฏิบัติธรรมอยู่พระอระหันต์จะไม่ว่างไม่ว่างเว้นเอในยุคนั้นสมัยนั้น ถ้าผู้ใดปฏิบัติตามทำตามวินัยอยู่พวกเราคิดดูก็แล้วกันหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาต่างๆที่ท่านล่วงลับดับขันไปพวกเราได้ไปชุมเพลิงของท่านกระดูกของท่านได้เป็นพระธาตุให้พวกเราได้รู้ได้เห็นในได้เห็นได้ดูกระดูกที่เป็นเม็ดกลมๆนั้นถ้าว่าไม่ใช่พระหานแล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้น พวกเรามั่นใจได้ว่าพระหันยังมีอยู่ในโลกถ้ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่เพราะนั้นพวกคณะัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนะที่พูดทางนี้ทางนั้นถ้าว่าไปกหลวงพ่ออาจจะพูดเตลดิดเปิดเปิเปงนอกรูนอ ก, นอกทางไปสักหน่อยแต่ถึงยังไงก็เป็นการแนะนำให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าไม่พูดให้ฟังพวกเราก็จะไม่รู้แต่เมื่อรู้แล้วก็จะได้ขยายผล ้แกผู้ที่ได้ไม่ได้รับรู้รับทราบก็ได้ขยายวงก้างกว้างออกไปเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้พวกเราประกันตัวเองได้ไหมว่าชีวิตของพวกเราจะยืนยานยืนยาวไปสักเท่าไหร่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าชีวิตของพวกเราจะยืนยาวไปเท่าไหร่ไม่รู้ว่าวันไหนอีกสักวันหนึ่งเราจะต้อง ทิ้งร่างกายของเราเขาจะต้องเอาไปเผาทิเมนเผาทิ้งทั้งหมดแต่การจะเผาทิ้งเผาร่างร่างกายทิ้งนั้นร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สองในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าอยู่ในป่าดงพงไพ่ถึงหกปีไปศึกษาจยู่ดหกปีนั้นพระพุทธเจ้าไปศึกษาเรื่องของใจพระพุทธองค์ท่านไปศึกษาดูแล้วอะร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถ ส่วนใจคือนามธรรมนั้นเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถอาศัยกันอยู่คนขับต้องอาศัยรถรถจะไปได้เพราะอาศัยคนขับนี้ก็เหมือนกันร่างกายต้องอาศัยใจใจก็ต้องอาศัยร่างกายเพราะฉนั้นร่างกายในแตกลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่นามธรรมคือจิตใจนะั้นไม่แตกไม่สลายออกจากรถคันนี้ออกจากร่างกายนี้ ถ้าเราเป็นผู้มีบุญมีกุศลเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลยินดีในการสร้างบุญสร้างกุศลดวงวิญญาณ น, นั่นก็จะไปปฏิสนธิในภพภูมิที่สูงขึ้นเพราะมีบุญมีกุศลแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจในการสร้างบุญสร้างกุศลเกิดมาทั้งทีชีวิตหาอยู่กินเป็นวันวันไปพอเลี้ยงธาตุขันว่าพวกเราเฉลียวฉลาด ถึงจะเลี้ยงอีมีพีมันขนาดไหนเลี้ยงดิบดีขนาดไหนร่างกายของเราก็เป็นอื่นอยู่เสมอไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตายเพราะนั้นดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้และกับส่วนใจลึกๆในหัวใจของเราเราก็ต้องคิดไว้ในใจเสมอว่าถึงเราถึงเราจะเลี้ยงร่างกายนี้ดีขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้อง ตายจะต้องหามขึ้นเมนจะต้องเผาไฟทิ้งแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่เป็นที่อุ่นใจรอย่างว่าเราได้เตรียมพร้อมระย่างบุญกุศลที่เราที่จะไปสู่ภพภูมิอื่นนั้นในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูนะดวงวิญญาณจะออกจากร่างไปแล้วนะ่ะเราได้เตรียมพร้อมรอย่างในจุดนั้นเราได้เตรียมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราหรือยัง นี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาไม่ใช่ว่าอยู่กินเป็นวันๆไปแล้วก็จบไปไม่ใช่นะวิญญาณจะต้องออกจากร่างนะที่พระพุทธเจ้าไปศึกษาอยู่ในปานรงพงไพ่ทึงหกปีนั้นท่านไม่ได้ศึกษาเรื่องของกายท่านศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของใจใจตัวนี้น่ะตัวนมามธรรมตัวนี้ล่ะจะต้องเกิดในภพภูมิต่างๆจะต้องไปเกิดในสถานที่ต่างๆแล้วทาไมจึงเกิด พราะพรเจ้าก็ค้นคว้าศึกษาดูว่าสิ่งที่ให้ไปเกิดนั่นคือมันมีเชื้อเหมือนกับมเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวหรือมเมล็ดขนานึ่อย่างนี้มเมล็ดมะม่วงสิ่งไหนก็ตามที่มันไปเกิดได้เพราะเหตุไรเพราะมันมีเชื้อมันมีเชื้อมันมีเครื่องของมันที่จะทําให้เกิดได้พอถึงความชื้นขึ้นมาเถูกอากาศชื้นขึ้นมามเมล็ดพันธุ์นั้นก็เกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่า เอาไปเผาซะเอาไปนึ่งสะก่ อ, อย่างเนี้ยข้าวเม็ดนั้นจะเกิดขึ้นมาได้ไหมหนึ่งให้มันสุกความร้อนคือเป็นร้อยองศาต้มสัก น, น, นานๆเมล็ดข้าวเม็ดนั้นมันจะเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเชื้อมันหมดเชื้อที่จะทำให้มันเกิดมันหมดอันนี้ก็เหมือนกันพ ร, พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาไตรตรองดูใจของพระองค์แล้วทาไมใจตรงนี้จะไปหาเกิด ในพบภูมิต่างๆเพราะเหตุไรพระพุทธองค์ก็บอกเพราะมันมีเชื้อเชื้อนั่นคืออะไรคือกิเลสกิเลสนั่นคืออะไรกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจอยู่ในใจดวงนั้นอยู่ในใจดวงเนี้ยจะทํำยังไงพระพุทธองค์ก็ใช้ตะปะธรรมคือศินสมาธิปัญญาเอสมมาทิฏฐิสมมาสังกโปสมมาวาจากรรมตัวคือมรรคแปดนี่แหละเดินมาสู่ กันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลผลที่สุดกับชำระใจดวงนั้นกิเลสออกจากใจตรงนั้นใจตรงนั้นเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เหมือนกับหนึ่งเชื้อมันออกปอกเชื้อมันออกเชื้อที่จะให้มันเกิดออกหมดเหมือนกับเม็ดข้าวเปลือกอย่างนั้นอ่ะเอาไ ว, เาว้เม็ดขาวเม็ดขาวแล้วยังมาแล้วยังขัดอีกเออให้มันขาวล้วนๆเมล็ดข้าวไม่นั่นจะไปปลูกเกิดไหมไม่เกิดเพราะเหตุอะไรเพราะเชื้อมันหมดแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังศูนอย่างนิพพานศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์เชื้อเชื้อจะทําให้มันเกิดมันศูนย์มันไม่มีนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะจิตใจบริสุทธิ์แล้วไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงตัวไหนจะเข้ามา สู่จิตใจของพระอาหารหันต์ได้เพราะท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วท่านสลัดทิ้งออกหมดแล้วท่านเห็นโทษแล้วจิตใจของท่านบริสุทธิ์แล้วนั่นละ่ะนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาที่พวกพวกุทธเจ้าได้ศึกษาได้ปลคว้าได้ประพฤติปฏิบัติได้สําเร็จมรรคผลเมื่อสองพันกว่าปีจากนั้นพระองค์ได้เขียนเป็นลิขิตคือเขียนแผนที่หรือบัญญัดพระธรรมวินยัย พระธรรมแปด0มื่นสีพันระธรรมขันให้พวกเราได้ศึกษามาถึงยุคนี้สมัยนี้ะฉะนั้นพวกเราให้ศึกษาให้ใส่ใจในการศึกษาของพวกเราดังที่หลวงพ่อได้ยกเป็นภาษิตเบื้องต้นว่าบุญญาณิปะโล ก, กัตสมิงปฏิฐาโหนติปาน่หนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาถ้าว่าพวกเราเกิดมาแล้ว มีแต่ทําการทํางานมีแต่สองแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวไม่ได้เตรียมไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเราจะมุ่งหวังในอนาคตได้อย่างไรเพราะเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็แก่เจ็บตายในที่สุดไม่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าว่าเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจใจของเรามีเป็นบุญเป็นกุศลแล้วจิตใจของเราเต็มเปี่ยมด้วยกุศลแล้วถึงร่างกายนี้ร่างกายนี้จะแตก ตายสลายลงไปแต่ใจดวงนั้นออกจากร่างแล้วก็ไปสู่ภพภูมิต่างๆอย่างพระอาหารหันต์อย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีธาตุขันเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ว่าใจของพระองค์เป็นพุทธะเมื่อใจของพระองค์เป็นพุทธ ะ, ะได้ตัดสู้ธรรมใจพระองค์ได้ตัดสู้ธรรมร่างกายก็เป็นร่างกายของพุทธะพระอาหารหันต์ก็เหมือนกันพระอาหารหันต์ก็ร่างกายเป็น เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายไม่แพ้กันมีตามีหูมีจมูกปิลิ้นมีกายแต่ใจของท่านเป็นพระอรหันทร่างกายของท่านก็เป็นพระอรหันต์ด้วยบาทบริขารของท่านก็บาทพระอรหันต์เสนาสนะที่อยู่อาศัยก็เป็นพระของพระอรหันต์อุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระอรหันต์เพราะเหตุใดเพราะใจของท่านเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าหากว่าใจของท่านเป็นกิเลสนะกิเลสกันเทวทัศน์บาปกรรมหนักๆอย่างนั้น โมลิขานกับธาตุขันร่างกายกับเป็นเทวทัตโมลิขานกับเป็นเทวทัตบริษัทบริวารกับเป็นเทวทัตเพราะความชั่วทั้งหลายก็จะเข้าไปสู่จุดนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาเน้นเรื่องใจเป็นเรื่องใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจใจดวงนี้ไม่แตกไม่สลายไม่ตายเพราะฉนั้นพวกศรัทธาญาติยาโยมลูกหลานทุกคนนะได้มาฟังได้มาศึกษาในภาคปฏิบัติ ให้มั่นใจถึงใครจะไม่ทําความดีข้าพระเจ้าจะเป็นผู้ทําความดีคนเดียวอ่ะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกหลักของพิสูจนของพระเจ้าท่านพิสูจจะไงนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าออกในเมื่อจิตสงบเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งแยกได้เห็นชัดด้วย ความรู้สึกของตนเองเมื่อจิตใจเป็นสมาธิเราพูดได้เลยว่าตายแล้วไม่สูนสิ่งที่สูนนั่นคือร่างกายแตกตายสลายแน่แต่นมามธรรมคือจิตใจนั้นโดดเด่นในคนละเรื่องกันกันกบร่างกายาวันนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสัมมอนิยกถาให้ฟังแกศรัทธาญาติโยมให้ฟังลากหลายตรดถึงการเป็นอยู่เรื่องศีลและธรรมจากนั้นก็แนวความคิด เรื่องการเป็นอยู่ประเทศชาติบ้านเมืองความเมตตาขององค์หลวงตา เ, เรื่องรวมบัญชงรวมบัญชีเพราะเหตุไรหลวงพ่อได้แสดงให้ฟังคณะกรรารทา ย, ยาิโยมทั้งหลายเราคงจะพอจับประเด็นได้ว่า อ, อหลวงพ่อมีเจตนาอะไรแต่ตามไม่จริงไม่มีอะไรมีแต่ความมุ่งหวังและมุ่งมั่นอยากจะให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราสงบร่มเย็นเป็นสุข ทุกคนให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีต่การพัฒนาประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆทือพวกเราได้กราบไดหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มากับพ่อเหตุใดก็เพราะว่าบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่แหละเป็นพี่คุ้มครองพวกเรามาเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้เทศได้แสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา